ไม่เห็นโทษเพราะว่าคำเรารู้ทุกอย่างเดียวในแต่นี้ใครๆก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นคำว่าเห็นทุกไม่เห็นไปถึงทางมาของทุกคือสมุทัยเพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณากายของเราความแก่ก็คือกาย อันเราลับคงเห็นที่สุดที่เกิดความเพลิดเพลินกับัวกายนี่เองมันตัวสมองใจเราทุกเนี้ยมันเยอะได้ไม่ใช่มันแยกกันนี่นะไม่ใช่มันแยกกันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันไปยอมรับความจริงอ่ะงสิ่งนี้ทุกแล้วอที่เราเคยหลงตัวเราเหมือนกับถูกหลบลางอ่างนี้เคยสําคัญตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นหลักตรงนั้นเนี่ย สัจจะที่มันแจ้งชัดที่เราเห็นได้ทุกคนเห็นได้ถ้ายอมรับเจนนี้มันไม่ค่อยจะยอมในจิ ต, ตของเราเร้จะให้จะภาวนาดูเถอะ <c oughs> มันไม่อยากดูเลยมันไม่อยากเข้าใจใส่เลยมันอยากปล่อยแล้วคุยกันก็ไปคุยแตเรื่องอื่นเวลาทํางานก็ไปทําต่เรื่องอื่นเวลาไปฟังผู้ฟังแตเจออื่นใช่ตายหูเรื่องอื่นทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ค่อยจะยิบยกหมายใช่เลยอันนี้แหละมันหน้าที่เราจะต้องรู้จริงๆ ถรู้เราได้ความสุขอย่างที่ชอบทําอย่างแท้จริงในรู้ของจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อหลงตัวใจความคิดของเรามากจชนเอาแต่ทำเป็นที่เพิ่งแต่ทั้งหลายท่านเห็นท่านทํามาเห็นแล้วท่านจะเอามาพูดไม่ใช่พูดลอยลอยนะเพราะเราไม่มีจริงจริงที่เพิงของเรานะ่ แต่เรนนี่จิตยังไม่ยอมรับในร่างกายไม่อยู่เราก็พึ่งนึ่ยังแข็งแรงอยู่ยังทำอะไรอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินทุกอย่างได้รู้ทางนั้นแบบทำไมจึงพึ่งไม่ได้นั่นเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้เรื่องวัตฏะมันเป็นอย่างนี้จิตประเพนีมันมีอยู่แล้วในจิตทั่วไป ท, ที่ให้เป็นวัตตะ เกิดแล้วเกิตอีกแก่แล้วแก่อีกตายแล้วตายอีกอ้เส้นรูปแบบพระพุทธเจ้านั้นมันกี่ยจะพ้นจากวัตถุเห็นแบบพระพุทธเจ้านั้นยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขัดข้านสิ่งเหล่านี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขัดข้านความสุขของโลกปัจจัยของโลกต้องขัดข้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีหนทางที่จะเรียกว่าทําลายอาวิชชาคือความโง่ของจิตนี้ได้เลย มันต้องร้อยเปอร์เซ็นมันจึงจะจัเต็คขาบอย่างคือครึ่งกลางๆแล้วยังมีเปอร์เซ็นต์ส่วนเหลือมันเสืดเหลืออยู่มันไม่ขาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันต้องมีอะไรให้มันเด่นชัดขึ้นมาให้ปรากฏจัดหลักขึ้นมาให้มันเป็นจริงขึ้นมาต้องรับได้ คือการฟังเทศฟังธรรมเป็นจะเตียงอุบายฉะนั้งใครสอนให้ใครพ้นทุกข์ไม่ได้หดอกจําไว้ให้ดีเราต้องสอนเราเองจึงจะพ้นได้เรื่องบาปกรรมเป็นของของตนไม่ใช่คนอื่นแทนได้นะอันนี้ต้องเด่นชัดด้วยเราจึงได้นําตัวของเราเองนี่ไม่ต้องอาศัยอาจารย์ไม่ต้องนิเพียงแต่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเป็นหลักเท่านั้นเองจริงๆแล้วเราสอนเราเรารู้เราเราเห็นเราเราเป็นคนลักใครแทนไม่ได้ นี่มันจึงแคปเรียกอัาตกรรมเป็นของของตนทั้งกรรมดีมันเป็นกรรมที่จะรุดพ้นจากทุกภยัยจะได้ถึงพรินใานามก็เป็นของตนที่จะต้องทำําระตนเองสอนตนเองไม่ใช่ให้อาจารย์สอนทีนี้ก็จะเข้าใจว่าเจ้าสอนไม่มีประโยชน์หรือหรือไม่ได้อะไรได้อยู่ประโยชน์ได้ทังผู้สอนได้ทั้งผู้ฟังแต่ส่วนผล อันมั่นคงถาวรที่จะดับทุกพลทุกภัยจุดหมาหลายทางเราต้องสอนเราเองทําเราเองผลอย่างแท้จริงเหมือนกับเราสอนเรื่องความสนุกเราก็ได้สอนแต่เราก็รู้ว่าเราได้สอนผู้ฟังก็รู้ว่าเราได้ฟังก็ได้ความรู้นี่เองเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งเทนี้ในความจริงแล้ว พอเรารู้แล้วไม่ใช่ว่าจิตเราก็จะสงบเหมือนกับเรารู้ง่ายๆ่ายแบบเรารู้ง่ายๆ่ายรับฟังง่ายง่ายว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สงบพอเราจำได้เราไปทําทำก็มันยังไม่สงบอีะอันนี้เป็นตัวปัญหาเลยเราจะต้องทําเองเราจะต้องสอนเองแล้วต้องกําหนดอันนี้ให้มันชัดต้องไม่สอนเองไม่ทําเองไม่มีทางจะไปฝังอย่างเดียวนี่เพราะเตุฉะนั้น ดัตถิอื่นๆจึงไม ok ่มีจิตเข้มแข็งในเรื่องนี้เลยจึงคลิกอันนี้ออกเหมือนกันดัตถ์ที่ก็ถือประโพศิษฐ์ดัตถ์ถือประโพศิษฐ์ดุจกิเลศแท้ๆนะมันแท้ๆเนี่ยพายจุ่ไปแต่ม yeah. ันอันนี้ถ้ากินใจลงไปแล้วก็มีประโยชน์ใหญ่เหมือนกันแต่เบื้องต้นนี่เพราะอย่างสร้างปรมีอยู่เมื่อมารถตัดสินจัก เขาดว่าปฏิบัติให้ได้ถึงพระนิพพานนี่ยังสร้างปารมีอยู่เมืองสร้างปารมีแล้วก็ยังมีครอบครัวยังมีการกินไม่กล้าทรมานเด็ดเดียวหันพนจากทุกต้องเอามัชฌิมาของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีการอ้อนวอนมีพิธีมีอะไรต่างๆร้อยแต่ อันนี้จริงอยู่ทําก็ได้ความรู้ความฉลาดทั้งดีทั้งไม่ดีถูกผิดผสมกันไปจนกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์จนกว่าอันนั้นแต่ผู้ที่เป็นสาวกภูมิหรือประเจกภูมินี่ท่านไม่เอาอย่างนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาตัดมันขาดไปเลยไม่อยากจะหมุนเวียนต่อไปอีก เพราะฉะนั้นอันทางที่แบบสร้างคามมีแบบะโพติสต์นี่คนทั้งหลายปรารถนาในโลกนี่มีมากไม่ใช่น้อยแต่พระองค์ทรงตัสว่าได้สำเร็จเฉพาะผู้ที่ได้ไปพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพยากรณ์แล้วเท่า น, นั้น่อเรียกอ่านนี้ อ น, นิจจะโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะเป็ น, นพระพุทธเจ้าจริงๆแต่นอก น, นั้นเรียกว่าอนิจจะวัตโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะทางสร้างไปกำลังไม่เพียงพอก็ไปทำทุกทำโทษตกหมุนเวียนอยู่แบบนี้ที่สิ้นที่สุดไม่ได้สมเร็จไม่ได้พยายกรก็รเลยทุกแล้วทุกอีกเช่นเวลาพระพุทธเจ้ากี่หมื่นกี่แสนพระองค์แล้วก็ไม่ได้อะไรไปไหนอันนี้มันนึง เพราะฉะนั้นเราจะเอา เ, <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นรัฐที่อันอื่นจึงเอามาใิ้แบบพระโพธิสัตว์เพราะมันไปอ่อนๆ อ, อ, <Ừ. S 1> อย่างไม่สามารถต่อสู้กับการได้การครอบงำ <S <S เหมือนกับพระบางแห่งก็มีลูกมีเมียไปจะลาดใช้เงินใช้ทองมาเรื่องกับดังนั้นและ <laughs> <laughs> มันสามารถจะเด็ดขาดได้ไม่ไม่ใช่เรื่องอันอื่นกิเลสจูมถึงนั้นนั่นก็แก่ตัวไ ม, ไม่ไม่ไม่มีทางออกตรงๆพูดไม่ได้ก็่อามา้างแบบรพระโพธิสัตว์ที่สนความอ่อนแอของจิตจริงนะเข้าใจง่านดีเพราะฉะนั้นความอ่อนแอของจิตนี่เองแบบพิพแพงออกไกลคนพิมโมโรรู้ว่าสร้างแบบรพระโพธิสัตว์ไม่กลาดไปชนจิตตัวเองกับอันนี้ลงไปอันคง เอาชนะอังกิเลตันเลิกคอยปลีกเลี่ยงเอาแบบชาวบ้านมาใช้ผสมกับผันกับปฏิบัติแล้วก็วดเอง่ะตัวเองเป็นพระด้วยนีต่ตติอย่างที่สำคัญที่สุดถ้าเอาความจริง <c oughs>